ครับลำดับนี้ขอกับรัตนาท่านพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชได้เมตตาบันจ่ายธรรมนะครับคณะญาติโยมสาธุชนชาวราดพ้าวบางกะิจตุจักบางเขนได้รับฟังในโอกาสต่ตอไปขอกับรัตนาครับกลับท่านอาจารย์คําจันทร์นะครับแล้วก็พระเทรานุเทระรอาจารย์พรโยมทั้งหลายวันนี้หลวงพ่อมาเจอพวกเราในงาน ขหลวงปู่นะหลวงปู่ท่านก็แสดงธรรมะให้เราดูแล้วท่านบรณภาพให้เราดูพวกเราเองก็ยังไม่แน่ได้ข่าวว่าพื้นศาลาไม่แข็งแรงใช่หม <laughs> งันไม่แน่นะว่าจะฟังได้จนจบชีวิตจริงๆเป็นของไม่แน่นอนนะชีวิตเราเต็มไปด้วยความแปรปรวนตลอดเวลาคนที่มีสติมีปัญญาก็ต้องเตรียมตัว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 ร้อนขึ้นมาทุกไหมร้อนมากไปก็ทุกหนาวก็ทุกนะเมื่อยก็ทุกเนร่างกายมีความทุกบีบคันอยู่ตลอดเวลาเลยค่อยมีสตินะคอยรู้สึกไปอยู่ที่กายจะเห็นร่างกายเนียเต็มไปด้วยความทุกนะเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวกระหายนะเดี๋ยวปวดอือปวดฉี่เดีย๋ยวอย่างน้อนเดี๋ยวอย่างนี้นะตลอดเวลานานๆเจ็บไขห้หนักๆสักทีหนึ่งเนะนี่ยร่างกายนะมันมีแต่ความทุก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 ว่เรารู้สึกไหมในตัวเราเนี้ยมีเราอยู่คนหนึ่งในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนะเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆ ก, ก็เป็นเราคนเก่านะเราคนเดิมเรานี่เที่ยงนะเราตั้งแต่เด็กจนถึงเดี๋ยวนี้ก็คนเก่าเราวันนี้กับเราพรุ่งนี้เราปีหน้าก็เป็นเราคนเก่านี่เราคิดอย่างนี้เรารู้สึกอย่างนี้นี่แหละปูุ่ชนจะรู้สึกอย่างนี้นะถ้ามหัธภาวนาเราจะเห็นว่าจิตมันเกิดดับเป็นขณะขณะไปนะจิตโลบเกิดแล้วก็ดับเป็นจิตไม่โลภ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 จิรู้สึกยังไงตื่นเต้นกสับกระสาย ล, ลุลี้ลูกหลนดูออกไหมรู้ไปอย่างที่เป็นรู้ด้วยความเป็นกลางนะมันเป็นยังไง ร, รู้จิตหลงไปคิดแล้วทราบไหมนะให้รู้ทันอย่างนี้ด้วยอะอะไรนะตึงๆเพราะว่าเพ่งเอาไว้มันจงใจปฏิบัตินะ้ําก็ไปเพ่งเพ่งแล้จิตก็นิ่งเอาทางนี้บ้างอกันบ้านขอเราทําเปล่าล่ะไม่ทําเออไม่ทําไม่ได้นะ